ภาชนีติกาปาเจตีอิ895อุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันิเลาะหรือใช้ให้เลาะจีวรภายหลังภิกษุณีนั้นผู้ไม่มีอันตรายไม่เย็บทั้งไม่ควรควายใช้ปืนให้เย็บพว ร, ระยะ 4-5 หวันต้องอบัดปาเจตีอุปสัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจเลาะหรือใช้ให้เลาะจีวร ภายหลังพิกษุนีนั้นผู้ไม่มีอันตรายไม่เย็บทั้งไม่ควรควายใช้พู่นให้เย็บค้น 4-5 วันต้องอาบาดปาจิตตีอุปสัมบันภิกษชนีสําคัญว่าเป็นอนุปสำบันเลาะหรือใช้ให้เลาะจีวรภายหลังพิกษุนีนั้นผู้ไม่มีอันตรายไม่เย็บทั้งไม่ควรขวายใช้พู่นให้เย็บค้น 4-5 วันต้องอบัดปลาจิตตีทุกกฎ ภิกษณีเลาะหรือใช้ให um ้เลาะบริการอย่างอื่นภายหลังภิกษุณีนั้นผู้ไม่มีอันตรายไม่เย็บทั้งไม่ควนควายใช้ปูนให้เย็บพล4สถึงหวันต้องอะบาดทุกกฏภิกษณีเลาะหรือใช้ให้เลาะจีวรหรือบริการอย่างอื่นของอนุปสมบัติภายหลังภิกษณีนั้นผู้ไม่มีอันตรายไม่เย็บทั้งไม่ควนควายใช้ปูนให้เย็บพุระยะ5วันต้องอะบาดทุกกฏ อนุปัสมบันฑภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปัมบันฑต้องอบัตตทุกฎอนุปัสมบันฑภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตตทุกฎอนุปัสมบันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปัสมบันฑต้องอบัตตทุกฎ